ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก 90. ภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทเห็นภัยในความประมาทยอมเผากิเลส ท, ที่ผูกมัดใหญ่น้อยไปได้เหมือนไฟเผาเชื้อน้อยใหญ่ฉะนนั้น 91. ภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทอีกอย่างหนึ่ง ภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทเห็นภัยในความประมาทเป็นผู้ไม่ควรที่จะเสื่อมยอมอยู่ในที่ใกล้พระนิพพานเที่ยว92สองจิตที่กวัดแกงดิ้นรนนั้นดัดให้ตรงได้ผู้มีปัญญายอมทำจิตที่กวัดแกงดิ้นรนรักษายากห้ามยากให้ตรงได้ เหมือนช่างสอนดัดลูกสอนฉนั้นจิตนี้ที่ยกขึ้นจากห่วงน้ำคือความอาลายัยเพื่อจะละว่งมานยอมดิ้นรนเหมือนปลาที่ถูกโยนไปบนบก93สจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้การฝึกจิตที่ขมได้ยากเป็นของเบา มักตกไปในอารมณ์ตามที่ใครเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้94จิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากละเอียดอ่อนมักตกไปในอารมณ์ตามที่ใครเพราะจิตที่คุ้มครองแล้วนำความสุขมาให้ 95. หจะพ้นจากบ่วงมารได้อย่างไรผู้ใดสำรวมจิตซึ่งเที่ยวไปได้ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีร่างมีแค่คูหาคือตัวมนุษย์เป็นที่อาศัยได้ผู้นั้นยอมพ้นจากบ่วงแห่งมาร 96. ผู้เช่นไรปัญญาไม่รู้จักบริบูรณ ผู้เช่นไรไม่มีภัยผู้มีจิตไม่ตั้งมัน่นไม่รู้แจ้งพระสัตธรรมมีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยปัญญาของเขาย่อมไม่บริบูรณ์ผู้มีจิตอันกิเลสไม่ร่วรอดแล้วมีจิตอันกิเลส ต, ตามกำจัดไม่ได้ละบุญละบาปได้แล้วเป็นผู้ตื่นอยู่ย่อมไม่มีภัย ข้อความจากธรรมบมด97ความจนเป็นทุกข์ในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความจนเป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข่าจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนจนไม่มีทรัพย์ของตนเองไม่มั่งคั่งยอมกู้หนี้แม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกามคนจนกู้หนี้แล้วก็จะต้องเสียดอกเบี้ยแม้การเสียดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกามคนจนที่จะต้องเสียดอกเบี้ยไม่ให้ดอกเบี้ยตามกำหนดก็ถูกเข้าทวงแม้การถูกทวง ก็เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกรรมคนจนถูกทวงไม่ให้เขาก็ถูกเขาตามตัวแม้การถูกตามตัวก็เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกรรมคนจนถูกตามตัวไม่ให้เขาย่อมถูกจองจำแม้การถูกจองจำก็เป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกรรม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความจนก็ดีการกู้หนี้ก็ดีการเสียดอกเบี้ยก็ดีการถูกทวงก็ดีการถูกกามตัวก็ดีการถูกจองจำก็ดีเป็นทุกข์ในโลกของผู้บริโภคกรรมด้วยประการชน้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออุปมาก็อย่างนั้นเหมือนกันบุคคลบางคนไม่มีศรัทธา คือความเชื่อในกุศลธรรมไม่มีหิริในกุศลธรรมไม่มีโอตตะปะในกุศลธรรมไม่มีความเพียนในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมบุคคลนี้เรียกว่าเป็นคนจนไม่มีทรัพย์ของตนเองไม่มั่งคั่งในวินัยของพระอริยเจ้าคนจนในทางธรรมนั้นเมื่อไม่มีศรัทธาในกุศลธรรม ไม่มีหิริในกุศลธรรมไม่มีโอตต ป, ปะในกุศลธรรมไม่มีความเอียนในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมย่อมประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจการประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจนี้เรากล่าวว่าเป็นการกู้หนี้ของผู้นั้นคนจนในทางธรรมนั้น เพราะเหตุที่จะปกปิดทุจริตทางกายวาจาใจนั้นจึงตั้งความปรารถนาลามกปรารถนาว่าดำริว่าคนทั้งหลายอย่ารู้เรื่องเราเลยย่อมกล่าววาจาย่อมพยายามทางกายด้วยคิดว่าคนทั้งหลายอย่ารู้เรื่องเราเลยข้อนี้เรากล่าววา่าเป็นการเสียดอกเบี้ยของผู้นั้น เพื่อนพรหมจารีคือผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมกล่าวถึงผู้นั้นว่ามีการกระทำอย่างนี้มีความประพฤติอย่างนี้ข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นการทวงของผู้นั้นความคิดที่เป็นอกุศลอกุศลละวิตกหรือความคิดที่เป็นอกุศลอันลามกอันประกอบด้วยความเดือดร้อน ย่อมติดตามผู้นั้นผู้ไปสู่ป่าก็ตามสู่โคนไม้ก็ตามสู่เรือนว่างก็ตามข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นการถูกตามตัวของผู้นั้นคนจนในทางธรรมนั้นประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจแล้วภายหลังที่สิ้นชีวิตไปย่อมถูกจองจำด้วยการจองจำในนรกบ้าง ด้วยการจองจําในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นการถูกจองจําอย่างอื่นสักอย่างเดียวที่ทารุณที่นําทุกมาให้ที่ทําอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากกิเลสอันเป็นธรรมหรือธรรมะยอดเยี่ยมเหมือนการถูกจองจําในนรกหรือในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานนี้เลย ข้อความจากจั ก, กรนิบาตอังคุตระนิกายหมายเหตุผู้อ่านการประพฤติพรหมจรรย์ในทางศาสนาไม่ได้หมายถึงการเป็นผู้บริสุทธิ์ทางเพศหรือแค่ไม่ยุ่งเกี่ยวทางเพศอย่างที่ทั่วไปเข้าใจกันนะครับแต่หมายถึงการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาทั้งหมดเพื่อไม่ให้กิเลสกลับปูขึ้นมาจนถึงขั้นหมดกิเลสในที่สุดอีกนัยยะหนึ่งหมายถึงการออกบวช ซึ่งพรงมะมรรย์มีหลายระดับคือขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงและทั้งหมดนี้คนทั่วไปแม้ไม่ได้บวชก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดหลีกย่อยสามารถใช้คำค้นหาใน Google เพื่อหาอ่านได้มากมายนะครับ98ไตรลักษมีอยู่แล้วโดวยปกติ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพราตถาคตเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุความตั้งอยู่แห่งธรรมหรือธรรมะธรรมนองแห่งธรรมอันนั้นก็ตั้งอยู่แล้วคือข้อที่ว่าสังขารหรือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ธรรมทั้งปวงคือธรรมะทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตนทำในที่นี้คือทั้งสิ่งมีปัจจัยปรุงแต่งและไม่มีปัจจัยปรุงแต่งตถาคตตรัสรู้เข้าใจทานองธรมหรือธรรมะนั้นรั้นตรัสรู้แล้วเข้าใจชัดแล้วก็บอกแสดงบัญญัติตั้งไว้เปิดเผยแจกแจงทำให้ง่ายถึงข้อที่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ทรรมหรือธรรมะทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนข้อความจากติกนิบาตอังคุตระนิกาย 99. เริกงงามยามดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจในเวลาเช้าเช้า ว, วันนั้นย่อมเป็นเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจในเวลากลางวันกลางวันนั้นย่อมเป็นกลางวันที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจในเวลาเย็นเย็นวันนั้นย่อมเป็นเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้นหนึ่งร้อยการสแสวงหาสองอย่าง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการสแสวงหามีสองอย่างคือการสแสวงหาอามิตรกับการสแสวงหาธรรมหรือธรรมะในการสแสวงหาทั้งสองอย่างนี้การสแสวงหาธรรมะเป็นเลิศข้อความจากทุกกรณิบาตอังคุตระนิกาย 101. นนักรบทางธรรม บุคคลรู้จักกายซึ่งอุปมาด้วยมอดินที่แตกง่ายปิดกั้นจิตซึ่งมีอุปมาเหมือนพระนครที่มีคูและป้อมเป็นเครื่องกัน้นพึงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาพึงรักษาชัยชนะและไม่มุ่งแต่จะพักคือไม่ติดในสมาบัติจนไม่มีโอกาสทำหน้าที่สูงขึ้นไปหนึ่งสอง อนาคตของกายนี้ไม่นานหนากายนี้จกนอนทับแผ่นดินถูกทอดทิ้งปราศจากวิญญาณเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ฉะนั้น103ใครทำร้ายก็ไม่เท่าจิตของตนโจรต่อโจรหรือคนผูกเวรต่อคนผูกเวร พึงทำความพินาศอะไรให้แก่กันจิตที่ตั้งไว้ผิดพึงทำบุคคลให้เลวร้ายยิ่งกว่านั้นหนึ่งสใครทำดีให้ก็ไม่เท่าจิตของตนมารดาบิดาหรือญาติอื่นๆทำความดีบางชนิดให้ไม่ได้จิตที่ตั้งไว้ชอบแล้ว ทำบุคคลให้ดีได้ยิ่งกว่านั้นข้อความจากธรรมบท